สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีรษะพิ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อปดสิบสองคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่ห้าสิบเจ็ดขอโปรดยกความบาปผิดของข้าพระองพี่น้องครับเมื่อเรากล่าวถึงการอภัยโทษนะครับมีอยู่ในลักษณะสองด้านด้วยกันนะครับในเชิงศารและก็เชิงสัมพันธ์ภาพครับ ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของการทรงชำระให้บริสุทธิ์เสียก่อนพี่น้องครับเรื่องการทรงชำระให้บริสุทธิ์นั้นในข้อพระเจ้าของพระเจ้าฮีบรูบทที่10ข้อที่10นะครับได้กล่าวไว้บอกว่าเราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เราหลายได้รับการทรงชำระบริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นการชำระบริสุทธิ์นั้นหมายความถึงการทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ความหมายคำว่าบริสุทธิ์นั้นในภาษาเดิมก็คือภาษาฮีบรูก็คือการกันหรือการแยกออกไว้ต่างหากเราได้รับการแยกออกไว้เพื่อเป็นของถวายของถวายให้กับพระเจ้าครับนั่นหมายความว่า ก่อนที่เราจะเป็นของถวายได้เราจะต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์เสียก่อนและเรารับการชำระบริสุทธิ์โดยชีวิตของพระเยซูซึ่งกลายเป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ได้ถวายตัวของพระองค์เองนั้นเป็นเครื่องบูชานะครับการถวายบูชาของพระเยซูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับทำให้เราได้รับเรานี่หมายถึงเราทั้งหลายครับได้รับเราทุกๆคนได้รับ นะครับได้รับการชำระให้บริสุทธิ์พี่น้องครับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นกริยานะครับเป็นคํากริยาที่จะต้องรับการชำระต่อต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับรับการชำระต่อต่อไปเรื่อยๆจนกทั่งวันนั้นที่เราจากโลกนี้ไปนะครับก็จะหมดเวลาหรือหมดสิ้นเสร็จสิ้นการชำระให้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนและเราเชื่อไว้บางใจเรามีความศรัทธาในพระองค์ การถวายบูชาของพระองค์นะครับบนไม้กางเขนนั้นเพียงครั้งเดียวก็เป็นสิ่งที่เพียงพอสําหรับเราทุกๆคนครับพระเยซูตรัดบนไม้กางเข น, นนะครับว่าสําเร็จแล้วนั่นหมายความว่าแผนการการไถ่าบาปการช่วยเราท่านให้รอดการที่พระเยซูมอบชีวิตอิรันให้กับบรรดาผู้ที่มีความเชื่อศรัทธานั้นเขาจะต้องผ่านกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์กับการชิ้นปบัชนของพระองค์นั้น ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับสําเร็จเสจะชินตามแผนการนะครับแผนการที่เลิศประเสริฐแผนการที่มหัศจรรย์ที่มารสตานโลกไม่เคยรู้มาก่อนพี่น้องครับตรงกันข้ามครับในข้อสิบเอ็ดของฮีบรูบทที่สิบนะครับข้อสิบเอ็ดบอกว่าพวกโปรหิตรในคัมภีร์เดิมต้องยืนปฏิบัติกิจนะครับต้องยืนปฏิบัติกิจและนําเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาทุกวันทุกวันทุกวัน เขาต้องถวายเครื่องบูชาทุกวันครับในพระวิหารพวกเขายืนกระทําอย่างนั้นนะครับเป็นประจําตลอดเวลาอย่างสม่ําเสมอเพราะอะไรครับที่เขาต้องทําซ้ําๆซักๆอยู่นี้เพราะว่างานที่เขาทำนั้นมันไม่อยู่วันสําเร็จนะครับเรื่องนี้ผมเข้าใจครับถ้าพี่น้องลองเป็นหมอฟันนะครับเราจะต้องทํางานอุดฟันไปเรื่อยรักษาฟันไปเรื่อยๆ โดยเพาะ อ, อย่างยิ่งผมเป็นหมอฟันสำหรับเด็กนะครับก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่นอกที่เราจะได้เลิกทำฟันเด็กเสียทีเลิอกอุดฟันเด็กเสทีเพราะอะไรครับเพราะว่าฟันน้ำนมของเด็กนั้นหลายๆคนก็ไม่ให้ความสาคัญแต่สำหรับหมอฟันสำหรับเด็กนั้นให้ความสาคัญแต่เราก็พบว่าเด็กๆนะครับตั้งแต่เล็กสองขวบสองขวบครึ่งฟันผุตลอดเวลาไม่มีวันที่จะจบจากสิ้นครับ ทำวันละกี่รายก็ตามขยันยังไงก็ตามเด็กฟันผุก็จะอยู่กับหมอตลอดเวลาพี่น้องครับเช่นเดียวกับฉันใดฉันนั้นเมื่อปุโรหิตนั้นเขาก็ต้องทํานะครับยืนถวายบูชาวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่านะครับผ่านไปหลายร้อยปีครับไม่วันเสร็จแต่เมื่อพระเยซูทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปนะครับ เพียงครั้งเดียวของพระเยซูเท่านั้นนั่นคือการชื่นพระชมบนไม้เขนเคนครับก็กลายเป็นเครื่องบูชาเดียวที่ลบบาปได้ตลอดไปและนําเราเข้าสู่กระบวนการการชําระให้บริสุทธิ์ครับพี่น้องครับข้อสิบสี่บอกว่าโดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงกระทําให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชําระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิตพี่น้องครับนี่คือการันตีครับว่า ใครก็ตามที่มีความเชื่อศรัทธาเชื่อฟังพระเยซูนะครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้รับการเบิ้งเกิดใหม่ได้รับการขนานนามประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมนะครับซึ่งผมได้อธิบายแล้วในตอนก่อนๆ น, น้านั้นพี่น้องลองกลับไปฟังดูนะครับก็จะเข้ามาถึงการกระบวนการครับการรับการชำระให้บริสุทธิ์หรือเรียกว่าถูกชำระให้บริสุทธิ์นะครับ เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าปรารถนาที่ให้คนที่เป็นเครื่อเสตียนเป็นลูกของพระองค์ได้รับการชำระถึงความสมบูรณ์เป็นนิดครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปความสมบูรณ์เกิดครับและเกิดตลอดไปเป็นนิดพระเยซูตรในพระธรรมฮีบรูที่ห้าข้อยี่สิบข้อสี่สิบแปดนะครับได้บอกว่าเฮชานี้ i, ท่านทั้งหลายจงถึงความสมบูรณ์จงถึงซึ่งความสมบูรณ์นะครับตามความหมายในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเอ็ข้อสิบสี่ นะครับเหมือนกันครับพระคัมภีร์ไทยน่าเสียดายแปลไม่เหมือนกันแปลว่าจงถึงหรือจงเป็นคนดีรอบขอแต่ในภาษาเดิมนั้นชัดเจนครับชัดเจนครับเหตุจากนั้นท่านทั้งหลายจึงถึงความสมบูรณ์เห็นไหมครับระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นครบบริบูรณ์นะครับในในชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ ซึ่งจะไม่เหมือนกับที่โลกให้ครับไม่เหมือนกับที่คนอื่นให้เรามีแต่พระเยซูเท่านั้นที่จะประทานชีวิตทีรันและนําเราเข้าสู่กระบวนการกรารชําระให้บริสุทธิ์เพื่อถึงความสมบูรณ์เป็ น, นดิตพี่น้องครับในชีวิตของคริสเตียนเราเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราสํานึกในความผิดความบาปแล้วเราสารภาพแล้วเราทูลขอการไถ่แล้วนะครับ บาปของเราได้รับการอภัยโทษแล้วอย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับเราก็ยังทําบาปซ้ํำซากอยู่นะครับบาปมันยังคงมีอยู่เป็นครั้งเป็นคราวเมื่อเราทํา <c oughs> การที่คนหนึ่งคนใดรับความรอดนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดทําบาปอย่างสิ้นเชิงโดยทันทีแต่ เราจะพบว่าความถี่ในการทำบาปจะลดน้อยลงไปมากครับในขณะเดียวกันเราก็จะมีความรู้สึกไหวต่อความบาปมากขึ้นนั่นคือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อครับที่สเตียนที่พูดว่าตัวเองไม่ทำบาปเดยนั้นก็โกหกครับและตกอยู่ในสภาพอันตรายเพราะเหตุถึงความเย่อหยิ่งของเขาเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ทาบาปเลยเขาก็คงจะไม่คิดหาทางแก้ไข หรือพัฒนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเราเองนั้นจะต้องสํารวจตัวเองเสมอเพราะว่าหลายครั้งนั้นเราหลอกตัวเองครับเราจมอยู่ในความสําเร็จของตัวเองและเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นกว่านี้พี่น้องครับมีบางคนสอนว่าที่สเตียนจะเข้าถึงชิตของที่สตีนอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเขาไม่ทํำบาปอีกต่อไป นั่นเป็นคำสอนที่ไม่ไม่ถูกนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรายังคนทำบาปอยู่ได้เรายังคงผิดพลาดอยู่ได้เพราะเนื้อหนังของเราเพราะความอ่อนแอของเราเพราะการล่อลวงของโลกเพราะบางคนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซาตาแต่นี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องการรับการอภัยโทษไม่เพียงแต่ในเชิงสารเท่านั้น แต่เรายังต้องการรับการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพนะครับร่วมกันร่วมด้วยครับการอภัยการอภัยอันหนึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพวิริยะการแต่การกระพาการอภัยอีกอันหนึ่งเกี่ยวข้องกับกิจวัตรหรือชีวิตประจําวันนะครับพี่น้องต้องถามตัวเองก่อนครับว่าเราจะรับการอภัยโทษในเชิงสาร และเราจะต้องของการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพได้ด้วยถ้าเรามีความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าซึ่งไม่ใช่ในฐานะที่พระองค์เป็นพิภพเป็นผู้พิภพศาลชอบธรรมครับแต่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นคุณพ่อบนสวรรค์ครับและนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอบอุ่นเหนียวแน่นครับ ตามที่ได้เคยอธิบายไว้ในตอนต้นๆ น, น, นะครับเวลาที่เราอธิษายว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพง้งหลายเห็นไหมครับจงจุดนี้เราจะเห็นถึงความอบอุ่นเราเห็นถึงความเป็นกันเองเราจะเห็นถึงลักษณะของความสัมพันธ์นะครับแม้ว่าเราได้รับการอภัยโทษในเชิงสารแต่การอภัยโทษนี้จะมีผลตลอดไปก็ตามเราก็ยังทําบาปอยู่บ้างเราก็ยังผิดพลาด เผลอไปทาบาปอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจแในเมื่อเราทำบาปบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นครับพี่น้องลองเดาดูครับว่าเมื่อเราทําบาปอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเราทาบาปคําตอบก็คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ากระทบกระเทือนครับแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้จบสิ้นไปนะครับมีบางสิ่งบางอย่างครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนั้น หากจะทําให้ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้าเรากับพระเยซูนั้นขาดหายไปเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระวังให้ดีนะครับในขณะที่หรือว่าในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเราเรียกคุณพ่อบนสวรรค์ว่าพระบิดาแต่ <c oughs> เราต้องทูลขอการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพเช่นเดียวกันครับขอพระบิดาคุณพ่อช่วยกรุณายกโทษให้ลูกด้วย ลูกปรารถนาที่จะไม่ทํามันอีกแต่ลูกก็พ่ายแพ้ต่อเนื้อนหนังของตัวเองพ่ายแพ้ต่อการล่อลวงชักจูงของมันตาตานพ่ายแพ้เพราะจิตใจของลูกนั้นไม่เข้มแข็งขอพระบิดาได้ทรงปรประทานความเข้มแข็งผ่านทางข้าวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์และผ่านทางความเชื่อผ่านทางการเกิดผลฝ่ายพระวิญ ญ, ญาณการเร่งเร้าฝ่ายพระวิญ ญ, ญาณการที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะมีวิในในฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายนะครับในการที่เราทั้งหลายนั้นจะพึ่งพาแผ่นดินของพระเจ้าและผู้หรือราชันแห่งแผ่นดินนั้นคือองค์พระเยซูขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเข้มแข็งครับความเข้มแข็งนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราเองนะครับมีดีอะไรแต่เนื่องจากเราอาศัยเราพึ่งในความดีของพระเจ้าพึ่งในความเมตตากรุณาของพระองค์และเราจะได้สิ่งที่เราทูลขอเพื่อ พระองค์จะส่งโปรดพอปไทยขาพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยนะครับในทุกๆวันที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรามีสมรรถภาพที่ดีกับพระองค์ในเรื่องของการอภัยโทษบาปและหลังจากนั้นเราจะพูดอะไรกับพระองค์ทูลขออะไรกับพระองค์ผมเชื่อแน่ว่าพระองค์จะทรงสดับครับเพราะไม่มีสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนีน